วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติทรงกำหนดให้สัทธาญาณโยมพุทธบอยสันได้หยุดจากภา ร, รกิจการงาน ต่างๆเพื่อเอาเวลามาทำภารกิจทางศาสนามาสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของตนความเป็นสิริมงคลนี้ก็คือความสุขความเจริญของจิตใจไม่ได้หมายถึงความสุขความเจริญทางโลกธรรม คือราบยอดสารสุขอันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นสิริมงคลตามหลักพระพุทธศาสนาพราะโลกธรรมนี้เป็นโลกของความไม่แน่นอนโลกธรรมมีเจริญก็มีเสื่อมได้เป็นธรรมดามีราบย่อมเสี่มลาบ มียศย่อมเสียมยศมีสรรเสริญ ย, ย่อมมีนินทามีสุขย่อมมีทุกข์ความเป็นสิริมงคลนี้หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจที่ไม่มีวันตายจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้หลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว จิตใจก็ยังคงอยู่ต่อไปจะอยู่ในสภาพที่สุขที่จเจริญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้มีการบาเพ็ญมีการกระทําสิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจหรือไม่ถ้ามีการกระทํา สิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจอย่างต่อเนื่องจิตใจก็จะพัฒนาความสุขความเจริญให้มีมากขึ้นไปตามลำดับเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะอยู่ในสถานะที่สุขที่เจริญคือสถานะของ เทพของพรมของพระอริยบุคคลถ้าไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการเจริญการกระทำที่เป็นมงคลจิตใจก็ไม่จะไม่สุขไม่เจริญจะอยู่ที่เดิมเช่นตอนนี้ถ้าจิตใจเป็นระดับของมนุษย์ก็จะอยู่เป็นมนุษย์ไปเรื่อย ถ้ามีการกระทําที่เป็นมงคลก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพให้ไปเป็นพรหมและจากพรหมให้ไปเป็นอริยบุคคลไปเป็นพัสอาาัพหันตสาวกเป็นพระพุทธเจ้าตามลําดับแห่งการกระทําสิ่งที่เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตจิตใจทุกวันพระนี้ก็จะมีการกระทาที่เป็นมงคลเช่นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะมังการได้ทำการบูชา กับบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในทางศาสนาเราก็มาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ของชาวพุทธเราที่เราจะต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสั่งสอนวิธีที่จะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ <Okay. S 1> และเพื่อการเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตาอพระศาสนาเราก็จะมีการกระทำการบูชาอยู่อย่างสม่ําเสมอการบูชาพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันะระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆ เช่นดอกไม้ทูปเทียนเป็นต้นแล้วก็มีการบูชาที่สูงกว่าที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในการพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติรม ที่เรียกว่าจิตตภาวนาอันนี้เป็นการบูชาที่สูงกว่าอามิสบูชาและเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้ชาวพุทธเราได้กระทํากันทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดที่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตพระพุธเจ้าบอกถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ที่สูงสุดอาบิสบูชานี้ก็จะให้ อ น, นิสง์ให้ผลในระดับไม่สูงนักคือระดับของเทพคือสวรรค์ชั้นเทพการการกระทำอามิสบูชาผลที่จะได้รับจากการอามิสบูชาก็คือจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปสูงการเป็นเทพแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพ คือชั้นพรมชั้นอริยบุคคลก็จะต้องใช้การปฏิบัติบูบชาถึงจะสามารถยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับครมระดับมรรคผลนิพพานได้นี่คือการบูชาทางศาสนามีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับ ที่ง่ายระดับแรกนี้เรียกว่าระดับที่ง่ายกว่าระดับที่สองระดับที่สองนี้เป็นเป็นการกระทาที่ยากอาจจะต้องอาศัยการกระทําในระดับที่หนึ่งก่อนบูชาในระดับที่หนึ่งด้วยอามิสบูชาก่อนคือด้วยการบริจาคสิ่งต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ กับพระพุทธศาสนาเช่นถ้าเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดอันนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาเพราะบูชาด้วยวัตถุอามิสก็คือวัตถุต่างๆ วัตถุเข้าของเงินทองการบูชาแบบอมิสบูชานี้มันเป็นการบูชาที่ง่ายกว่าการปฏิบัติบูบชาเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องใช้เวลามากเพียงแต่บริาจาคทรัพย์ที่เรามีไปเท่านี้เราก็ได้บูชาได้อมิสบูชาแล้ว แต่ถ้าเราอยากจะได้การปฏิบัติบูบชานี้เราจำเป็นที่จะต้องไปอยู่วัดกันไปปฏิบัติธรรมกันไปเจริญสมรถภ า, ภาวนาวิปัสสนาภาวนากันอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ยากขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแบ่งการบูชาไว้สองระดับด้วยกัน เหมือนกับที่โรงเรียนก็มีการแบ่งระดับการศึกษาไว้เป็นหลายระดับระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเพราะกำลังของผู้ที่ศึกษานี้มีกำลังมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองผู้เริ่มต้นคือเด็กเล็กก็ต้องเข้าเรียนระดับอนุบาลแล้วพอโตขึ้นหน่อย ก็เข้าสู่ระดับปถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาตามลำดับต่อไปการบูชาก็จะเป็นในลักษณะนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่มีศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็จะมีการกระทาบูชา ขั้นแรกก่อนคืออาบิสบูชาเช่นเวลาไปวัดเราก็มักจะหาดอกไม้ทูปเทียนไปไปบูชาพระพุทธโลกกันอันนี้ก็เป็นการบูชาด้วยสิ่งของแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ อ, อยู่ที่ดอกไม้ทูปเทียนการใส่อาหารบิณฑบาต ก็เรียกว่าเป็นการเป็นอามิสบูชาเหมือนกันเพราะบูชาด้วยด้วยข้าวของคือคืออาหารอาหารข้าวหวานต่างต่างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาหรือเวลามีการถวายผ้าป่าถวายสังฆทานอันนี้ก็อามิสบูชาเหมือนกันถวายผ้ากรถินถวายกุฏิ ถวายโบสถ์ถวายเจดีย์ถวายวัดแล้วแต่กําลังของผู้ที่มีฐานะที่จะทํากันก็สามารถทํากันไปตามกําลังของแต่และบุคคลผู้มีมากก็ทํามากผู้มีน้อยก็ทําน้อยตามกําลังแต่ผลบุญที่ได้รับก็ อาจจะเท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของที่เราไปถวาย ม, ม, มันอยู่ที่ว่าสัดส่วนของของข้าวของเงินทองที่เราบริจาคไปนั้นมันเป็นสัดส่วนของทรัพย์สินของเราเท่าไหร่เช่นถ้าเรามีเงินแสนหนึ่ง เราทํามุญไปห้าหมื่นเราก็ถือว่าเราได้บอยจากสัดส่วนของทรัพย์สินของเราไปครึ่งหนึ่งคือห้าสเปอร์เซนเรามีทรัพย์สินอยู่แสนหนึ่งเราแบ่งบอยจากไปห้าหมื่นส่วนอีกคนหนึ่งเขามีล้านหนึ่งถ้าเขาอยากจะบอยจากเท่ากับเราคือสัดส่วนคือร้อยละห้าสิบ เขาก็ต้องบอริจาคห้าแสนถ้าเขามีอยู่ล้านหนึ่งตัดส่วนก็ร้อยละห้าสิบก็คือห้าแสนครึ่งครึ่งล้านหนึ่งถ้ามีแสนหนึ่งก็ครึ่งก็ครึ่งแสนครึ่งแสนก็ห้ามหมื่นถ้ามีหมื่นเดียวบริจาคไปครึ่งหนึ่งก็ห้าพันทั้งสามคนนี้จะได้อนิสง์เท่ากัน คือได้สวรรค์ชั้นเดียวกันเพราะว่าได้บริจาคทรัพย์ในสัดส่วนเท่ากันคนมีล้านหนึ่งก็บริจาคห้าแสนคนมีแสนก็บริจาคห้าหมืนคนมีหมื่นก็บริจาคห้าพันเวลาตายไปก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกัน อ, อันนี้คือเรื่องของอันิสงส์ของการ ทำอามิสบูชาด้วยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ดังนั้นคนที่มีมากเขาเลยต้องทํามากเพื่อที่จะได้สัสดส่วนเหมือนกับคนที่ทำเนาะคนที่มีน้อยคนมีน้อยก็ทำทำน้อยแต่ก็ได้สัสดส่วนที่มากอันนี้เราเราไม่ได้ดูที่ปริมาณของเงินทอง เรามองที่สัดส่วนของเงินทองที่เราได้บรยจากได้เสียสละไปอันนี้มันเลยทำให้เรามีความเท่าเทียมกันคนจนก็สามารถทำร้อยละห้าสิบได้คนรวยก็ทำร้อยละห้าสิบได้ไม่ได้ดูว่าจะต้องเป็นจำนวนกี่แสนกี่ล้านถึงจะได้บุญเท่ากันอันนั้นไม่ใช่เพราะว่ากำลังของแต่ละคนนี้มีไม่เท่ากัน ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายนี้ก็มีร่างกายที่ไม่เท่ากันคนที่ตัวใหญ่ก็ต้องกินอาหารมากเพื่อจะได้อิ่มคนที่มีร่างกายเล็กกว่าก็ไม่ต้องกินอาหารเท่ากับคนที่มีร่างกายตัวใหญ่กว่าเช็นแต่ร่างกายของคนเล็กนี้ครึ่งขนาดครึ่งหนึ่งของคนใหญ่คนใหญ่กินข้าวอสองจาน คนแรกอาจจะกินเพียงจานเดียวก็ได้ความอิ่มเท่ากันนี่คือลักษณะของ จ, จิตใจของคนที่มีทรัพย์มากน้อยต่างกันมีความจำเป็นที่จะต้องได้เสียสละมากน้อยไม่เท่ากันแต่เรื่องของสัดส่วนนี้เท่ากันคือน้อยละห้าสิบก็เท่ากันันนี้มีร้านหนึ่งก็ทำไปห้าแส0 คนนี้คนนี้มีแสนหนึ่งก็ทําไปห้าหมื่นคนนี้มีหมื่นหนึ่งก็ทาไปห้าพันแล้วก็จะได้สัสดส่วนเท่ากัน <S <S <S เหมือนช้างกับหนูเนี่ยเวลาช้างกินข้าวเนี่ยช้างต้องกินเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกระป๋งเป็นเป็ น, ป น, ปนถังถึงจะอิ่มแต่หนูนี่กินแค่ชแค่ช้อนสองช้อนก็อิ่มละทั้งคู่ได้ความอิ่มเหมือนกันช้างก็ได้อิ่มหนูก็ได้อิ่ม แต่ปริมาณที่จะทําให้อิ่มของช้างกับของหนูไม่เท่ากันเช่นเดียวกับการทําบุญเพื่อให้เกิดความสุขใจอิ่มใจก็เหมือนกันคนที่มีมากก็ต้องทํามากเพื่อจะได้ความอิ่มคนที่มีน้อยก็ทําน้อยก็จะได้ความอิ่มเท่ากันถ้าทําตามสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละห้าสิบดังนั้นเรื่องการทําบุญ เรื่องว่าฐานะยากจนหรือนั่มรวยนี้ไม่เป็นประเด็นสําคัญเพราะทุกคนสามารถทําบุญให้เกิดบุญที่เราต้องการได้ถ้าเราอยากจะได้บุญเต็มที่เราก็ต้องบริจาคร้อยทั้งร้อยไปเลยแล้วก็ไปบวชเนี่ยพวกนักบวชนี่เขาบริจาคเงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าตอนไปบวชก็สละราชสมบัติ ไม่ได้เอาเงินทองติดตัวไปแนมะ้แต่บาทเดียวบ่อยจากทิ้งว่าให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้กับครอบครัวไปอันนี้ก็ถือว่าได้ทาบุญสัดส่วนร้อยเต็มร้อยเลยสัดส่วนร้อยหนึ่งก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นเทพที่สูงสุดสวรรค์ชั้นเทพมีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าทาบุญร้อย ร้อยเปรเซ็นต์นี่ก็จะได้สวรรค์ชั้นชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์คือชั้นที่หกถ้าทาเคียงแค่ร้อยละสิบก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งความแตกต่างของสวรรค์ น, นี้ก็คือความสุขที่มีอยู่ในสวรรค์แต่ละชั้นนี้ไม่เท่ากันเหมือนกับโรงแรมที่มีดาวนี่มีดาวมากดาวน้อยก็บริการให้ความสุขไม่เท่ากันโรงแรมที่มีดาวเดียวก็ บริการให้ความสุขได้ในระดับแค่ดาวเดียวถ้ามีสี่ดาวห้าดาวนี้ก็จะบริการความสุขระดับห้าดาว<ม>ก็มีไม่เท่าเทียมกันอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างสวรรค์ชั้นต่างๆที่จะได้เป็นผลสําหรับผู้ที่ยังกระทําอามิสบูชาอยู่คือผู้ที่ยังไม่สามารถไปปฏิบัติบูบชาได้ ก็ทำมิสบูชาไปก่อนตามฐานะของตนอาจจะทำจากน้อยไปหามากก็ได้เริ่มต้นอาจจะทำเพียงร้อยละสิบก่อนแล้วต่อมาก็อยากจะทำมากขึ้นก็ทำร้อยละยี่สิบเพราะพอทำมากขึ้นก็รู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจเพิ่มมากขึ้นและมีความเชื่อว่าจิตใจก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ ต่อไปก็อาจจะทำมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดอาจจะทำร้อยทั้งร้อยเลยก็ได้ถ้าได้ไปเรียนวิธีการปฏิบัติบูบชาได้ถ้าเริ่มถ้าเริ่มปฏิบัติบูบชาได้ต่อไปก็อาจจะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดเพื่อไปบวชกันนักบวชนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้ว เพราะมีผู้ที่มีศรัทธาคอยสนับสนุนมีพวกที่ทําอามิสบูชาคอยสนับสนุนพวกผูกท้ที่พวกที่ไปปฏิบัติบูชาพวกปฏิบัติบูชานี้ก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนาการเจริญสติสมาธิและปัญญาเป็นหลักอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาถ้าถ้าได้เริ่มปฏิบัติบูชานี้ ก็จะได้ยกระดับฐานะของจิตใจให้ขึ้นสูงกว่าระดับชั้นเทพขึ้นไปสู่ระดับชั้นพรหมแล้วก็จากชั้นพรหมก็ขึ้นไปสู่ระดับพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นของพอระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าจะขึ้นสู่ระดับ พรมระดับอริยบุคคลได้นี้จำเป็นต้องใช้การปฏิบัติบูบชาเท่านั้นอา mis บูชานี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ต้องไปขั้นปฏิบัติบูชาด้วยการทำขั้นอา mis บูชาให้เต็มที่เลยให้เต็มร้อยเลย มีทรัพย์สมบัติเงินทองเท่าไหร่ก็บริจาคไปให้หมดจะให้ใครก็ได้ให้ครอบครัวก็ได้ให้พ่อแม่ก็ได้ให้วัดก็ได้ให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้ใครก็ได้ถ้าไปบวชแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองอันนี้หมายถึงถ้าไปบวชเป็นพระนะแต่ถ้าไปบวชชีนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับสำนักที่ไปบวชบางสำนักเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่ไม่ต้องมีเงินทอง ก็อยู่ได้บางสานักเขาก็ต้องให้พึ่งตัวเองก็ต้องมีเงินทองไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหง่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคมารักษาถ้าเป็นเช่นนี้ก็ยังต้องมีการเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้ในการสนับสนุนการปฏิบัติบูบชา แต่ถ้าเป็นแบบไปบวชเป็นพระนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองเพราะว่ามีผู้ที่มีจิตศรัทธาคอยสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติบูชาที่บวชเป็นพระนี้กันอย่างเต็มที่มีมีกุติที่อยู่อาศัยให้อยู่มีอาหารบิณฑบาตมีจีวรเครื่องนุ่งหง่ม มียารักษาโรคคอยดูแลพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนากันแต่ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเพราะเมื่อไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองแล้วเวลาไปบวชนี้ก็ไม่ให้มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปเพราะถ้ามีมันจะกลายเป็นภาระมันจะกลายเป็นเหมือนสมอเรือใครเห็นสมอเรือไหม เวลาเรือจอดถ้าไม่ต้องการให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำเขาก็ต้องทอดสมอเรือกัน mm hmm. เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำ mm hmm. แต่เวลาที่จะออกเรือให้ไปไหนมาไหนเขาก็ต้องถอนสมอก่อนถ้าไม่ถอนสมอเรือก็ไม่ไปเพราะถูกสมอดึงเอาไว้ฉันใดใจของผู้ที่จะไปสู่ระดับสูงกว่าระดับสวรรค์ชั้นเทพคือไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลก็จะต้องถอนสมอสมอที่่วงใจไม่ให้ไปสู่ขั้นสูงได้ก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจึงต้องสละไปให้หมดจะสละให้ใครก็ได้อั น, นี้แล้วแต่ความพอใจจะสละให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้ครอบครัวถ้ามีครอบครัวก็ให้ครอบครัวไป ถ้าไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพ่อแม่ก็บอยจากให้กับองค์กรการกุศลต่างๆไปแต่สําหรับตัวเองนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทองถ้าสามารถเข้าสู่การปฏิบัติบูบชาได้ถ้าปฏิบัติบูชาได้บวชได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่อไปดังนั้นผู้ที่เข้าสู่การปฏิบัติบูชาก็จะยุติการ อามิสบูชาไปโดยปริยา ย, เ, ยเมื่อเมื่อมาบวชแล้วเราก็ต้องปฏิบัติบูบชาเท่านั้นเองอามิสบูชานี้เป็นเรื่องของผู้ที่ยังไม่บวชของผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังบางทีผู้ที่มาบวชก็ยังมีเงินติดตัวมาด้วยแล้วบางทีก็ยังเอาเงินที่ได้ติดตัวมามาคอยทาบุญทาบุญที่นั่นทาบุญที่นี่อยู่ อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนมีสมอไวคอยถ่วงเรือไม่ให้ไปไม่ให้ล่่นไปตามกระแสน้ำกระแสลมได้เพราะยังติดอยู่กับการทาบุญอยู่ติดอยู่กับติดอยู่กับ อ, อาบิสบูชาอยู่ก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบตับติบูชานั่นเองถ้าเข้าสู่การปฏิบตับติบูชาแล้วต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบตับติบูชาผลที่จะ ที่จะได้ถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ายังกลับไปทำอมิสสบูชาอยู่ยังไปทำบุญที่นั่นไปทำบุญที่นี่อยู่ไปถวายภาพป่าไปถวายอะไรไปสร้างกุฏิสร้างโบสถ์อันนี้ก็จะติดอยู่กับอมิสสบูชาก็จะไม่สามารถมีเวลาที่จะเอาไปให้กับการปฏิบัติบูบชาได้ ถึงแม้จะได้บวชแล้วแต่ก็ไม่ได้เอาเวลาของนักบวชมาใช้ให้ถูกลักษณะถ้าเป็นนักบวชแล้วต้องปฏิบัติบูบชาไม่ไปใช้อามิสบูชาไม่ไม่กระทําอามิสบูชาเพราะอามิสบูชานี้มันเป็นระดับต่ํากว่าปฏิบัติบูบชาถ้าต้องการยกระดับจิตใจให้สูงจากระดับเทพเข้าสู่ระดับพรหมระดับอริยบุคคลนี้ จำเป็นจะต้องใช้การปฏิบัติบูบชาเท่านั้นถ้ายังไปทำอมิตรสบูชาอยู่ก็ยังจะติดอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพต่อไป<ม>ถึงแม้จะมาบวชแล้วก็ตามแต่ไม่ได้เอาเวลาของนักบวชมาใช้ให้ถูกตามเจตนารมณ์ของการบวช<ม>การบวชเพื่อปฏิบัติบูบชา<ม><ม>ถ้าเป็นคารวาะผู้ครองเรือนก็ใช้อมิตรสบูชาไป เพราะคารวะผู okay. ้คลองเรือนยังไม่มีเวลามากพอที่จะไปปฏิบัติบูชาได้ก็เลยต้องอาศัยอมิสบูชาเป็นเครื่องเสริมสิริมงคลให้แก่จิตใจของทนไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าพร้อมที่จะออกสู่การปฏิบัติบูชาถึงจะไปบวชกันแล้วก็ไปปฏิบัติบูชากันอย่างเต็มที่ เมือ่อถ้ามีการปฏบิบัติบูชากันอย่างเต็มที่แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตามมาจิตก็จะเข้าสู่ระดับพรหมสวรร์ชั้นพรหมแล้วเข้าสู่สวรรษชั้นพระอริยบุคคลจนไปถึงสวรร์ของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์คือสวรรษชั้นนิพพานตามลำดับต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนา แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาทำบุญเกียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้กับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการส ร, ร้างพระพุทธรูปส ร, ร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างกุฏิหรือมีการคอยทำนูปบทำนุงผู้ที่มาบวช ด, ด้วย จะตัวปัจจัยก็คือปัจจัยสี่ของพระคืออาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหง่มกุฏิที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่างๆนี่คือเรื่องของอามิสบูชาบูชาด้วยข้าของเงินทองถ้าเรามีถ้าเราไม่มีเราก็ไปปฏิบัติบูบชาเลยก็ได้ สำหรับคนที่อาจจะไม่มีงานทาไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินทางที่จะไปบริจากไปซื้อสิ่งของต่างๆถวายวัดแต่มีเวลาว่างเพราะตกงานไม่มีงานทำก็ไปเอาเวลาว่างนี้ไปให้กับการปฏิบัติบูชาเลยก็ได้ไปเรียนถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติจิตภาวนาว่าปฏิบัติอย่างไร ก็ไปศึกษาก่อนไปอยู่วัดไปอยู่เป็นแบบเป็นลูกศิษย์ก็ได้ยังไม่ได้บวชยังไม่พร้อมที่จะบวชก็ไปอยู่แบบภาคขาวก่อนไปถือศีลแปดแล้วก็อยู่ที่วัดแล้วก็อาศัยวัดกินอยู่ที่วัดด้วยการรับใช้พระภิกษุที่อยู่ในวัดรับใช้ดูแลวัดวาสถานที่ต่างๆเป็นการตอบแทน เพื่อที่จะได้อยู่วัดเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ดังนั้นไม่มีอุปสรรคทั้งคนที่มีเงินและกับคนที่ไม่มีเงินคนที่มีเงินถ้ายังอยากจะทำอามิสบูชาก็ทำได้คนที่ไม่มีเงินมีทอ ง, งก็ทำอามิสบูชาไม่ได้ก็ไปปฏิบัติบูบชาแทนคนไม่มีเงินมีทองกับจะได้ อนิสงฆ์มากกว่าคนที่มีเงินมีทองเพราะคนมีเงินมีทองนี้ก็จะทาอมิสสบูชาซึ่ง อ, น, อนิสงฆ์ของอมิสบูชานี้น้อยกว่าอานิสงฆ์ที่ได้จากการปฏิบัติบูชาคนที่ไม่มีเงินทองคนที่ตกงานกับมีโอกาสที่จะไปปฏิบัติบูชาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับอนิสงฆ์ที่มากกว่า อามิสงของอามิสบูชานั้นในทางพระพุทธศาสนานี้ถ้ามองดีๆแล้วบางทีคนที่ยากจนนี้กับมีโอกาสดีกว่าคนที่มีเงินมีทองคนที่มีเงินมีทองก็มักจะไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเข้าวัดได้ก็เพียงแต่ชั่วครั้งชั่วคราวฟังเทศฟังธรรมแล้วก็กลับบ้าน ทำบุญใส่บาทแล้วก็กลับบ้านกันจะหาเวลามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะมีทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องคอยดูแลรักษาอยู่แต่คนที่ไม่มีทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองเลยไม่มีงานทำเลยคนนี้กลับมีถือว่ามีมีโอกาสดีกว่าคนที่มีเงินเพราะจะมีเวลาที่จะได้ศึกษาพราะธรรมคาสอน น่าได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยในทางศาสนานี้การเป็นคนดวยนี้กับเข้าหาหาธรรมะยากกว่าคนที่เป็นคนจนคนที่มีคนที่เป็นคนจนนี้กับมีโอกาสมากกว่าเพราะมีเวลาว่างไม่ต้องไปไม่มีงานทำตกงานอย่างนี้หางานแล้วไม่มีงานทำ ทรัพ ส, สมบัติก็ไม่มีก็เลยต้องไปแต่มีเวลาที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมก็เลยไปขออยู่ที่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็รับใช้วัดไปตามกำลังมีงานอะไรที่จะทำได้ก็ช่วยทำไปเช่นตอนเช้าก็ไปช่วยบิณฑบาตไปช่วยพระบิณฑบาต<ม>เวลาศรัทธาญาติโยมถวายข้าวของมาพระก็หิ้วไม่ไหวก็อาศัย ลูกศิลปลูกหามาช่วยขนถ่ายไปให้แล้วก็อาศัยอาหารที่ได้จากวินาบาตรของพระที่พระเหลือแล้วก็พระก็จะแบ่งให้เอาไปรับประทานแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จเรื่องการรับประทานแล้วก็มีเวลาว่างที่จะไปศึกษาอ่านหนังสือธรรมะไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปหัดปฏิบัติธรรมได้เลยหัดเดินจงกรมหัดนั่งสมาธิไป ต่อไปก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติมีปฏิบัติชอบได้ดังนั้นศาสนาพุทธนี้จึงเป็นศาสนาที่เปิดกว้างให้กับคนทุกระดับคนมีเงินก็เข้าได้คนไม่มีเงินก็เข้าได้แต่วิธีเข้าอาจจะไม่เหมือนกันคนมีเงินก็เข้าวัดเพื่อบรรยากเงิน คนไม่มีเงินเข้าวัดก็เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วคนที่ไม่มีเงินนี้กลับได้อ น, นิสงส์งมากกว่าคนที่มีเงินเพราะการบริจาคด้วยเงินทองนี้ได้อ น, นิสงส์งน้อยกว่าอ น, นิสงส์งที่ได้จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมผลที่ได้จากการศึกษาระดับศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้จะได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นสูงกว่า การทำการบริจาคเงินทองการบริจาคเงินทองนี้ก็จะยกระดับใจให้ขึ้นสู่ระดับเทพแต่ถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับเทพนี้เงินทองไม่สามารถส่งขึ้นไปได้ต่อให้ทําต่อให้ทำบุญมากน้อยเพียงไรหมดกระเป๋าเลยก็ยังไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพคือชั้นพรหมชั้นพระอริยบุคคลนี้จาเป็นที่จะต้อง ไปปฏิบัติบูบชาต้องใช้การปฏิบัติบูชาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะยกระดับใจให้ขึ้นจากระดับเทพไปสู่ระดับพรหมได้และระดับอริยะบุคคล<ม>การขึ้นสู่ระดับอริยะพรหมนี้<ม>ก็คือต้องมีเวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตให้สงบให้เข้าฌานให้ได้<ม>และการที่จะมีเวลาได้ นั้นก็จะต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปถ้าไม่มีศีลแปดนี้ก็จะไม่มีอะไรมาคอยห้ามไม่ให้ไปทากิจกรรมทางอื่นทางรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นความสุขระดับเทพถ้าอยากจะขึ้นสู่ระดับพรหมนี้ต้องระ ง, งับการหาความสุขระดับเทพ คือล ะ, ละง้างการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะชนิดต่างๆ จ, งจึงต้องมาถือศีลแปดกันศีลแปดก็คือศีลข้อสามก็ต้องละต้องหยุดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่กับใครก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันให้เอาเวลาที่ไปใช้กับการร่วมหลับนอนกันนี้ไปสู่การปฏิบัติ เจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนแล้วก็ไม่ให้กินมากเกินไปให้กินพอประมาณไม่ให้กินเพื่อเสพความสุขจากอาหารให้กินเพื่อประทังชีพกินเพื่อรักษาธาตุขันให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินเหมือนกินยาซึ่งถ้ากินแบบกินยานี้กินแค่เที่ยงวันก็พอไม่จำเป็นจะต้องกินตอนเย็นตอนค่าด้วย วันละั้งสองครั้งก็พอนี่คือสิลข้อหกสิลข้อเจ็ดก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากความบันเทิงต่างๆการท่องเที่ยวการบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการดูการฟังการกินการดืม่มแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายไม่ให้ไม่ให สันไม่ให้ใส่เสื้อผ้าสวยงาม ด, ด้วยสีฉูดฉาด ไ, ไม่ให้ใช้น้ำมันน้ำหอมไม่ให้ใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆไม่ให้ทำการย้อมผมย้อมอะไรไม่มีการเสริมสัญญกรรมอะไรต่างๆอันนี้อยู่ในศีลแปดหมดผู้ที่ถือศีลแปดนี้จะไม่ไปทำอะไรเพื่อเสริมความงานของร่างกาย มีหน้าที่เพียงแต่คอยดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเท่านั้นร่างกายมันเปื้อนสกรปรกมันเหม็นก็อาบน้ำอาบท่าเท่านั้นเองก็พอไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่น้ํามันน้ําหอมเนื้ออะไรทั้งหลายอ น, นี่คือศินข้อที่เจ็ดไม่ให้เสียเวลากับการทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็ยไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงสําราญ เยียงที่มีความสุขมากพูกหนาๆ น, นอนหลับแล้วมันจะนอนมากเกินไปน่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ยังอยากจะนอนต่อก็จะเสียเวลาให้กับการปฏิบัติไปหลายชั่วโมงด้วยกันยิงให้นอนบนพื้นแข็งๆแล้วก็อาจจะปูผ้าหรือปูเสือ่อนอนได้อันนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมา พราะนอนต่อไปมันไม่สบายนอนมันพุ่งแข็งๆมันไม่สบายเหมือนนอนนอนมันฟูกหนาะๆนะก็จะไม่นอนต่อก็จะได้เอาเวลาที่เสียกับให้ไปกับการหลับนอนที่ไม่จำเป็นนี้ให้เอามาใช้กับการปฏิบัติบูบชานั่นเองเบื้องต้นก็ให้บูชาด้วยการเจริญสติปล่อยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย พ็ใจคิดด้วยเปื่ยใจมักจะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสเสมอเดี๋ยวก็คิดแล้วก็อยากกินนั่นอยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะมาเที่ยวที่นี่อยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นต่างๆถ้าปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวใจมันก็จะคิดหาเรื่องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังต้องคอยระงับความคิดเหล่านี้ด้วยการใช้สติ เช่นจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ทําตั้งแต่เริ่มตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาพอใจเริ่มคิดปั๊บเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธเข้าไประ ง, งับเลยพอพุทโธพุทโธพุทโธพอมันหยุดคิดเราก็หยุดพุทโธได้พอมันเริ่มคิดใหม่เราก็พุทโธใหม่ทําอย่างนี้คอยคอยสกัดความคิดอย่าให้มันคิดเพราะถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะคิดไป ทางกามคุณห้าคิดไปทางรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระคิดแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มขึ้นมาอันนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะถ้าต้องการให้ใจเข้าสู่ระดับพรหมระดับระดับของความสุขที่เหนือกว่าความสุขระดับเทพต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบนิ่งเข้าสู่ฌานระดับต่างๆนี่เรียกว่าการเข้าฌาน การเข้าฌานก็คือการเข้าสู่ความสงบนั่นเองหรือการเข้าสมาธิอันนี้มีความหมายเหมือนกันสมาธินี้มีแบ่งเป็นหลายขั้นแต่ละขั้นเรียกว่าฌานฌานขั้นที่หนึ่งฌานขั้นที่สองชานขั้นที่สามฌานที่สี่ไปถึงขั้นที่8ที่9เลยอันนี้คือระดับของความสงบของใจระดับความสงบของสมาธิมีแบ่งไว้สองระดับ ฌานหนึ่งถึงฌานสี่เรียกว่ารูปฌปานฌานห้าถึงฌานแปดเรียกว่าอารูปฌปานแล้วเหนืออรูปฌานก็มีสัญญานิโรดสัญญาเวดิตะนิโรดอันนี้เป็นเป็นขั้นที่สงบที่สุดเรียกเรียกว่านิโรดสมาบัตมีแบ่งไว้ความสงบของใจนี้มีแบ่งไว้เก้าขั้นด้วยกันเรียกว่าสมาธิเก้าขั้นก็ได้หรือฌานฌาน ฌานแปดขั้นบวกกับสมาบัติเองหึงขั้นก็เป็นเกขั้นแต่ละขั้นนี้จะมีความสงบมากน้อยต่างกันขั้นที่หนึ่งนี้จะสงบน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามยิ่งได้ขั้นที่สี่ที่ห้าความสงบก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่9ขั้นสมาบัตินิโรธสมาบัติขั้นนั้นเป็นขั้นที่จิตสงบเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าฌานญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจทำไมถึงบางทีก็พูดถึงเรื่องฌานบางทีก็พูดถึงเรื่องสมาธิบางทีก็พูดถึงเรื่องจิตรวมบางทีก็พูดถึงเรื่องอัปปนาสมาธิทานิกะสมาธิอันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความสงบของใจในลักษณะต่างๆเพื่อพูดแบบแบบทั่วไปนี้ ความสงบก็มีแบ่งไว้เก้าเก้าชั้นด้วยกันแบ่งเป็นฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่และนิโรธสมาบัติหนึ<ม>่งก็มีแบ่งไว้เป็นความสงบที่มีความสงบลดหลั่นกันไปมากน้อยก็ต่างกันไปจนถึงขั้นสูงสุดขั้นนิโรธสมาบัติ<ม>เป็นขั้นที่สงบมากที่สุดเต็มที่<ม>แล้วบางทีเราก็เรียกความสงบเหล่านี้ว่าอัปปนาสมาธิ อัปนาสมาธิก็คือนี่แหละฌานขั้นต่างๆนี้เรียกว่าอัปนาสมาธิถ้าเข้าฌานอยู่นิ่งๆได้นานก็เรียกว่าอัปนาสมาธิถ้าเข้าฌานอยู่นิ่งๆได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็ออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้กับคณิกะกับอัปนาก็เหมือนกันต่างกันตรงที่อยู่นานหรืออยู่ไม่นานถ้าสงบได้นานก็เรียกว่าอัปนาสมาธิ ถ้าสงบได้เดียวๆก็เรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วก็มีสมาธิอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปฌปานหรืออรูปฌานแต่เป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นอภินญาคือมีออกไปรับรู้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิผู้ที่มีอุปจาระสมาธินี้สามารถไปท่องเที่ยวสวรรค์นรกได้ ไปเห็นสวรรค์เห็นนรกไปพบปะกับกายทิพย์ได้ไปคุยไปสนทนากับกายทิพย์ได้อย่างพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นเทพก็อาศัยอุปจารสมาธินี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวพาไปถ้าไม่เข้าถ้าเข้าอุปจารสมาธิไม่เป็นก็ไปไม่ได้นะคนที่จะเข้าอุปจารสมาธิได้นี้ก็มีไม่มาก ในวงของผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีประมาณร้อยละห้าร้อยคนจ ะ, จะได้สักห้าคนที่จะได้อุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ก็มีมีโทษเพราะว่าถ้าไปเข้าอุปจารสมาธิใจก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่สงบไม่นิ่งใจก็จะไม่มีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเวลาที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหา เพื่อดับความทุกข์ก็จะสู้ไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ใจก็ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอุปจารสมาธิถ้ามีความสามารถจะเข้าอุปจารสมาธิได้ก็ไม่ควรเข้าไปกวรนจะดึงให้อยู่ในฌานขั้นต่างๆแทนให้อยู่ในฌานสี่ให้ใจมีอุเบกขาอยู่ในฌานสี่นานๆแช่มันไว้นานๆ พอเวลาออกจากสมาธิมาจะได้มีกําลังต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความโลภความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีอุเบกขาอยากฌานสี่เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วจะสู้ไม่ไหวจะต้องไปทําตามความอยากทันทีอยากกินอยากดื่มอะไรก็จะต้องไปกินไปดื่มให้ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วมีปัญญาสอนใจว่า การไปเสบรูปเสียงกลิ่นร้อนนี้เท่ากับการไปเสบยาเสบติดพอเสบแล้วมันจะติดจะต้องคอยเสบอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้เสบมันจะทุกข์เราปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการจะมีความทุกข์เราต้องไม่เสบรูปเสียงกลิ่นร้อนผลพระถ้าเสบด้วยความอยากแล้วมันก็จะติดเราจะต้องคอยหามาเสบอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถหามาเสบได้ เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิตภาพได้ความทุกข์ใจที่ก็ที่เกิดจากการไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดก็จะไม่เกิดเพราะไม่ติดไม่ติดไม่มีความอยากจะเสพเมื่อไม่มีความอยากจะเสพความทุกข์ก็จะไม่มีตามมาอันนี้คือเรื่องของอุ ป, ปจารสมาธนะิถ้ามี ความสามารถเข้าอุปจารสมาธิได้ก็อย่าไปสนใจในขั้นปฏิถ้าเรายังปฏิบัติไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์อยู่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอุปจารสมาธิเวลาจิตมันจะออกไปท่องเที่ยวไปดูนาลกดูสวรรค์ไปดูกายทิพย์อะไรต่างๆก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในความสงบให้สักแต่ว่ารู้อยู่ในฌานสี่สักแต่ว่ารู้ไปให้อยู่ในอปปนาสมาธิแทน แล้วเราก็จะได้ไม่หนงทางถ้าไปยุ่งกับอุปจารสมาธิเราจะติดเหมือนกับได้ไปเที่ยวการเข้าอุปจารสมาธิก็เหมือนกับการได้ไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวแล้วมันก็จะติดทุกครั้งเวลาที่นั่งสมาธิก็อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะนิ่งสงบอยู่ในฌาน <S S> ก็ออกไปเที่ยวแต่ออกไปเที่ยวนี้มันก็ไม่มีประโยชน์คือไม่มีอุเบกขาไม่มีความนิ่ง เวลาออกจากสมาธิมาก็ใจก็จะร้อนขึ้นง่ายเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็หยุดมันไม่ได้ดังนั้นถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นจากอำนาจของความโลภความอยากอย่าไปเกี่ยวข้องกับอุปจารสมาธิถ้าเรามีความสามารถที่จะไปได้แต่ก็ดีอยู่อย่างว่าคนนักปฏิบัติส่วนใหญ่นี้จะไม่มีความสามารถที่จะไป เข้าถึงอุปจารสมาธิได้คนที่ไม่มีก็สบายไปไม่มีปัญหาคนที่มีเนี่ลําบากต้องคอยระวังถ้ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังไม่ได้ไปเจริวิปัสสนาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปอยากใจนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอุปจารสมาธิแต่เรนั่งสมาธิให้เข้าสมาธิให้เข้าอยู่ในความสงบนิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาไป เท่านั้นถ้ามันจะแวบออกไปทางอุปจาระก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาถ้ามันอยากจะออกไปท่องเที่ยวในโลกทริปก็ต้องดึงมันกลับเข้ามา mm hmm. อย่าปล่อยให้มันไปเพราะมันถ้าไปแล้วมันจะทาให้ใจไม่นิ่งไม่มีอุบเบกขาและเวลาไปต่อสู้กับความอยากมันจะสู้ไม่ได้ mm hmm. น, นี่คือแต่ถ้าหลังจากที่เราได้ชนะความอยากกาจัดความอยากให้หมดไปจากใจแล้ว ใจหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์แล้วตอนนั้นหลังจากนั้นอ่ะถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เพื่อไปโปรดเทวดาก็ไปได้ mm hmm. ครูบาอาจาราย์ในยุคปัจจุบนันเช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีอุปจารสมาธิท่าน mm hmm. หลังจากที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านเป็นพระอารหันต์แล้วท่านก็ใช้อุปจารสมาธินี้ไปโปรดเทวดาในในยามดึก ท่านก็จะแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาฟังเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาฟังทุกทุกคืนพุทธกิจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อมีสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมเช่นตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยู่คารวะผู้คลองเรือนตอนค่ําก็แสดงให้กับภิกษุภิกษุณีตอนเด็กก็แสดงธรรมให้กับเทวดา ตอนเช้าก่อนออกบินธบาติก็ทรงหนึ่งยานดูว่าจะไปแสดงทําให้โปวดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นอันนี้เป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ต, อลตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน<ม>พุทธกิจข้อที่ห้าก็คือการออกบินธบาตโปรดสัตว์นี่ทรงออกบินธบาตโปรดสัตว์ถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถ้าไม่ไหวก็ต้องหยุดไปตามสภาพ ถ้ายังมีกำลังมังชาไม่เจ็บไายได้ป่วยก็จะถือการบินตะบาทเป็นเป็นภารกิจประจําเป็นหนึ่งในภารกิจห้าข้อด้วยกันของพระพุทธเจ้านี่คือพูดถึงเรื่องของสมาธิญาติโยมจะได้เข้าใจผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติจะได้รู้ว่าทำไมถึงมีคำภาษาหลายคำด้วยกันมีสมาธิมีมีการเข้าสมาธิเข้าฌานมีการ อัปนาสมาธิมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิมีรูปประชาณารูปประชาณมีนิโรธสมาบัติทำพูดเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาเลยเรื่องของปัญญานี้ต้องเรียกญาณอย่างรู้ญาณวิทยา น, นะยา น, นัศนะอย่างรู้ญาณกระชานนี้ไม่เหมือนกันคำว่าญาณคือการอย่างอย่างรู้ คำว่าฌานเป็แปลว่าความนิ่งสงบของใจบางทีคนฟังแล้วก็สับสนนึกจำผิดจำถูกเวลามาพูดคุยกันแล้วก็พูดเลยไม่รู้เรื่องบางทีจะพูดถึงเรื่องของฌานก็ไปพูดคำว่าญาณบางทีจะพูดถึงเรื่องญาณก็ไปพูดถึงคำว่าฌานยังต้องพยายามทำความเข้าใจว่าสองคำนี้ไม่เหมือนกันฌานนี้เป็นเรื่องของสมาธิญาณ น, นี้เป็นเรื่องของปัญญา การมีดวงตาเห็นธรรมนี้เรียกว่าญาณมีการอย่างทราบว่ามีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่ามีญาณญาณอย่างรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จีรังถาวรไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าญานถ้าพิจารณาธรรมแล้วเห็นตายรักนี่แสดงว่ามีญานเห็นตายรักก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด มันไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของเราถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะเกิดความทุกข์อันนี้ก็เป็นอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมาความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับอยากให้กล้วยให้อยากให้ส้มมันเป็นกล้วยมันเป็นไปไม่ได้ อยากไปจมวันตายกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยส้มมันก็ต้องเป็นส้มอย่าใดอยากให้ไม่แก yup ่มันก็อยากไม่ได้ร่างกายของทุกคนมันจะต้องแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้มันต้องตายนี่คือความจริงที่เราต้องมาสอนใจให้เห <Nein. S 1> ็นความเป็นจริงว่าท <asket patent? S 2> ุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยมมีเกิดแล้วต้องมีดับเป็นไปธรรมดา ถ้าไปอยากให้มันดับมันก็จะเก k, bye, ิดทุกข์ขึ้นมาทุกข e ์ทางใจทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ถ้าไม่ไม่ไปอยากให้มันไม่ไม่ไม่ดับเราก็จะไม่ท <te de Heart out> ุกข yes. ์ใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ให้แก่ก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ไม่ตายก็ไม่ทุกข์ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติ อันนี้คือเรียกว่าญาณญาณคือการเห็นสภาวะธรรมความเป็นจริงเห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นตลอดเวลาเราก็เรียกว่ามีญาณอย่างรู้อันนี้ไม่ใช่ฌานฌานนี้เป็นไม่มีรู้อะไรฌานคือความสงบนิ่งเฉยๆแต่ญาณนี้คือผู้คือการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ที่เป็นเป็นความเป็นจริงคือศาสตรธรรม เช่นอริยสัจ ส, สี่ไตรลักษณ์นี่เรียกว่าเป็นการรู้อริยสัจ ส, สี่รู้ไตรลักษณ์นี่ก็เรียกว่ามียานอย่างทราบนี่คือเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราไปปฏิบัติบูบชาก็าศึกษาเตรียมไว้ก่อนจะได้รู้เรื่องราวว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เขาพูดถึงอะไรกันบ้างถ้าเราไม่รู้เราไปเราก็จะไปปฏิบัติตไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะไปทําฌานดีหรือทำยานดี จะไปเข้าสมาธิหรือจะไปอัปนาสมาธิหรือไปอะไรเราจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราได้ศึกษาไว้บ้างก่อนมันก็จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาเวลาที่เราปฏิบัติกันแต่สิ่งที่เราควรจะรู้ในเบื้องต้นเวลาปฏิบัติก็คือให้รู้จักรักษาสีนแต่ให้หักห้ามจิตใจอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพชนิดต่าง แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังคนเดียวเพื่อที่จะได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ง่ายถ้าอยู่กับที่มีเสียงอกึกทึกคึุกโคมมีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมายั่วยวนกวนใจมันจะทำให้ไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะทำให้ใจให้สงบนิ่งได้ต้องไปปลีกวิเวกไปถือศีลแปด แล้วก็ใจจะฝึกสติตั้งแต่เติ่ขึ้นมาคอยคุมความคิดไว้ให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดพอมันเริ่มคิดกับพุโทโธพุโทโธไปสู้กับมันไปจนกว่ามันจะหยุดคิดเราถึงจะหยุดพุดโทโธได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธินี้นั่งเดียวๆใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้เข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปพอถึงขั้นที่สี่ใจก็จะนิ่งเฉยไม่ต้องทาอะไร ให้มีแต่สักแต่ว่ารู้ให้มีสติคอยประครับประครองความสงบของใจนี้ให้สงบไปนานๆถ้าเริ่มมีความคิดก็พยายามหยุดความคิดว่อาอย่าปล่อยให้คิดพอนั่งต่อไปอย่าคิดอยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้จกนกว่าจะทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วก็ค่อยถอนออกมาถอนออกมาก็มาฝึกสติต่อมาคอยควบคุมความคิดต่อแล้วพอถึงเวลาก็กลับไปนั่งใหม่ พยายามนั่งบ่อยๆเอามาเพื่อผ่อนคลายระยะบทนั่งนานๆแล้วมันเจ็บมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเจริญสติไปพอเดินเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ขั้นตอนของการฝึกสติสมาธินี้ต้องทํากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าเราต้องการที่จะได้ผลที่ดีที่เลื่ยต้องปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติมากๆจิตก็จะสงบได้มากมีกําลัง ของอุเบกขามากก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสทันหาได้มากพอเราออกเดินทางปัญญาถ้าเราพร้อมถ้าเรามีกําลังมากเราก็ออกเดินทางปัญญาพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นตายักเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่เอามันดีกว่าเราก็ตัดความอยากต่างๆไปจนหมดสิ้นไปจากใจได้ อนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติบูชาที่เอามาแสดงให้ท่านฟังไว้เป็นตัวอย่างเผื่อวันใดวันหนึ่งถ้าท่านต้องการจะปฏิบัติบูชาก็จะสามารถทําได้ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะยังมีภาระมีเรื่องราวต่างๆที่ยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็ให้ทําการอาบิสบูชาไปเรื่อยๆก่อนจนการจะพร้อมแล้วก็ไปปฏิบัติบูบชาต่อไปแล้วความเป็นสิริมงคลของชีวิต คือความสุขของความเจริญของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาขังเอวมีวาอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติ อิติตังปาติต um ังตุ მ หังหิตะเมวาสมิจโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาวาสุยธามะนิโชติภะราสุยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกผวะพิวะธนสีลิสานิจังุธาประจายโนจัตตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวที่สะดวกะจะส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้หรือเข้ามาถามเองก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบนมัส ก, การเจ้าคะ่ะทาง Facebook 514 YouTube 289 YouTube Dr. V 102วิทิโออนไลน์8 Clubhouse 13หน้ากุฏิ123รวมทั้งสิ้น149ท่านเจ้าคะ่ะค่ะถามํ า, มาไม่สราบว่ายังมีคนถามรอ ถ, ถามทําถามอยู่หรือเ่ า, าเชิญถามต่อ คำถามจากคุณเอดีการให้ทานด้วยปัจจัยสี่เป็นทั้งอามิสบูชาและหนึ่งในปฏิบัติบูชาคือทานสิ่งภาวนาไหมคะอย่างนี้ทำทานด้วยปัจจัยสี่ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไหมคะขออภัยถ้าคำถามไม่เหมาะสมค่ะอ๋อไม่หรักการทำทานนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของอามิสบูชาให้ข้อของเงินทองอย่างตัาปฏิบัติบูชาต้องปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิปัญญาเนือภาวนาสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาทึ้งนีถือถว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคำถามจากเฟ e บุ o k ค่ะลูกชายเรียนเรียนจบมหาวิทยาลายัยไปบวชกับพระอาจารย์สามารถไปได้เลยไหมคะติดต่อช่องทางใดคะ เราไม่ได้เป็นผู้ที่รับบวชคนเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสของวันนี้ท่านเป็นพระอุระชฌาย์ท่านเป็นผู้ที่จะรับคนที่จะมาบวชใครที่อยากจะมาบวชที่วัดยานต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดยาสังมาหลาลามเราเป็นเพียงลูกวดัดเท่ คำถามจากคุณ ADA, เอดีเบื้องต้นของการปฏิบัติเราต้องอาศัยพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งก่อนจนถึงที่สุดของการหลุดพ้นเราจะสามารถพึ่งตนเองได้เพราะมีธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าและภาริยสง์มีโยมเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่เบื้องต้นเราต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเราวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องพอเราปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะเข้าถึงธรรมที่พรพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น พอเรารู้ธรรมอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อไปจากคุณพันธิวาพี่ชายเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานมีความเสียใจมากทำใจยังไม่ได้จะทำอย่างไรไม่ให้เสียใจได้ครับพระอาจารย์ก็ต้องหยุดมันเวลาเสียใจก็ให้ทำใจให้สงบใช้คำบิกรคมพุทโธพุทโธไปจนกว่าใจจะสงบใจสงบแล้วความเสียใจก็จะหายไป จากคุณสวยรบกวนสรุปหัวใจของกาลาณมสูตรเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนะไปคุณไปศึกษาเองก็แล้วกันจากคุณธนวันการปล่อยวางไม่ยึดติดจากสิ่งต่างๆพอทําได้เจ้าค่ะแต่การปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับลูกทําได้ยากมากเจ้าค่ะต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ต้องพิจารณาว่าที่มาที่ไปของลูกเป็นยังไง ลูกก็มาจากแค่ดินน้ำลมไฟแล้ววันหน้าวัดเขาก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟต้องดูเรื่องทางเดินของชีวิตของลูกถ้าเห็นแล้วต่อไปก็จะปล่อยวางได้เพราะไม่มีใครห้ามการเดินทางของชีวิตของแต่ละคนได้ชีวิตของทุกคนเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายตามลำดับต่อไป จากคุณแสงชัยเวลาทําความดีหรือทําบุญผมมักจะติดเกิดความอยากให้คูอื่นได้รู้หรือเห็นผลจะเห็นผลจากความดีของเราที่กระทําไปเหมือนเราหลงในคําสรรเสริญขอแนะนําพระอาจารย์ครับเพราะว่าเรายัางติดอยู่กับสรรเสริญอยู่นั่นเองเราต้องเข้าใจว่าการทําบุญนี้ไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญทําบุญเพื่อยกกระดับจิตใจของเราเพิ่มระดับความสุขของจิตใจให้มีมากขึ้น คนอื่นจะรู้ไม่รู้คนอื่นก็จะสรรเสรินไม่สรรเสริญไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะผลที่เราได้ที่แท้จริงก็คือความสุขความเจริญทางร่างจิตใจ คำถามจากคุณนาวนาวีได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอสุภาสสัญญาให้เอามาเป็นอารมณ์กำหนดรู้ตอนแรกเป็นสัญญาต่อไปจะเป็นปัญญาหมายความว่าอย่างไรคะและต้องปฏิบัติอย่างไรตอนแรกว่าเป็นสัญญาก็คือจำถ้าเป็นความจำบางทีมันก็ลืมได้แต่ถ้าพอมันไม่ลืมมันก็จะเป็นปัญญา<ม>ก็พยายามระลึกถึงอสุภัอยู่เรื่อยๆจกกนกระทั่งมันไม่ลืม มันก็จะกลายเปปป็นปัญญาไาไจกคุณเปียพง์ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์คุณแม่ป่วยเป็นโรคอาล์ซลเมอร์ไม่ยอมทานยาและข้าวผมก็พยายามจนเต็มความสามารถแต่ก็ไม่ยอมทานอาหารผมก็คิดว่ามันเป็นกฎของอนิจจังบางทีผมก็ปล่อยวางได้แต่บางทีก็มีความกังวลเลยขอธรรมะหน่อยครับ เวลากังวลก็ทำใจให้สงบใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอถ้าเราบริกรรมพุโทโธเราหยุดคิดถึงเรื่องคุณแม่ความกังวลก็จะหายไปถ้ากังวลใหม่ก็พุโทโธใหม่เหมือนกินยาแก้ปวดเวลาปวดหัวก็กินยาเข้าไปสองเม็ดพอหายปวดเราก็หยุดกินพอปวดใหม่เราก็กินใหม่จากคุณอาทิวิทขอพายค่ะ ถ้าเราต้องการออกบวชโดยที่ไม่ได้มีหนี้สินครอบครัวหรือภาระทางโลกใดๆแต่ถูกบิดาขัดไม่ยอมให้บวชอ้างว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ทรรมาหากินในทั้งโลกในวัยที่ควรทำได้เราควรตอบท่านได้อย่างไรดีครับก็เวลาที่เราอยากจะไปทำอย่างืาง่นที่พ่อห้ามเราไปทำได้หรือเปล่าแต่พอมาบวชปั๊บนี่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเวลาเราจะไปเที่ยวพ่อบอกอย่าไปเราก็ยังไปกันได้อยู่ใช่ไหม นั่นึองอยู่ที่ว่าเราอยากจะไปบวชมากแค่ไหนเท่าไรท่านเองถ้าเราอยากจะไปบวชมากๆต่อให้ช้างมาขวางไว้ก็ขวางไม่อยู่ในสมัยพุทธกาลมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งอยากจะบวชพ่อแม่มีลูกคนเดียวไม่อยากให้บวชก็บวชแล้วไม่มีใครจะมารับมรดกก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้บวชลูกอยากจะบวชก็เลยทําไให้บวชกูก็ไม่กินข้าวก็อดข้าวไปอดข้าวไปใหม่ๆพ่อแม่ก็ ไปเรียกเพื่อนให้มาก่อมมาให้เริ่มอดข้าวเสียเพื่อนกอน่อมแล้วก็ไม่ยอมก็จะอดต่อไปในที่สุดพ่อก็ต้องยอมพ่อแม่ก็ต้องยอมให้เขาบวชไปกัน อ, อยู่ที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการมันมากน้อยเพียงไรถ้าเราต้องการมันมากน้อมันวิน่งมันมีช่องทางไปเองแหละจากคุณธีฆาธนาเมื่อเราเจอข้อสอบเช่นมีความจาเป็นต้องผ่าตัด เพื่อรักษาสังขารไว้ปฏิบัติธรรมอีกสักหน่อยแบบนี้ถือว่าจำเป็นต้องทำไหมคะหรือควรปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็ทำให้มีอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะคือร่างกายนี้ถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปแต่เป้าหมายทางใจก็คืออย่าไปทุกข์กับมัน รักษาหายก็ดีไม่ไม่หายก็ดีอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับการรักษาทําหน้าที่ไปหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่รักษามันไปส่วนมันจะหายไม่หายเราอย่าไปวิตกกังวลกับมันทําใจให้เฉยเฉยไปจากคุณกัณฑ์ภา ถ้าเราทําเรื่องบริจาคอวัยวะของเราในกรณีที่สมองตายเขาถึงจะเอาอาวัยวะของเราไปใช้กับคนอื่นได้แบบนี้เราจะบาปไหมคะจะเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมไหมคะเพราไม่หรอเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้เราตายเขาจะปล่อยให้ร่างกายเราตายไปก่อน จากคุณทรงสมรเมื่อเข้าภาวนาแล้วบอกกับร่างกายเราตรงนี้เจ็บตรงนี้ปวดมันไม่เที่ยงเมื่อแก่ร่างกายไม่ปกติเหมือนเดิมเมื่อยังเด็กเป็นการพิจารณาร่างกายได้ไหมคะเมื่อยังเด็กพิจารณาร่างกายได้หรือไม่ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็พิจารณาได้ร่างกายของเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคืออย่าให้ใจทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย ยอมรับความเจ็บของร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปทําใจเฉยๆไปให้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ทรมาร์ดกับความเจ็บของร่างกายคําถามจาก youtube ค่ะการเดินจงกรมต้องเดินครบหระยะหรือไม่คะเดินจงกรมก็เดินไปเท่าที่เราต้องการจะ เ, เดินเดินจนกว่าเรารู้สึกอยากจะหยุดเดินแล้วก็กลับมานั่งสมาธิต่อก็ได้ ไม่มีกาหนด ว, ว่าเราจะต้องนั่งต้องเดินยาวเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วแต่ความเหมาะสมของของการปฏิบัติของเราหมดแล้วเลยโอเคก็ <Okay. S 2> พอสมควรแก่เวลาก็ข อ, ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด